ข้างบนยังต้องถูด้วยกาบมะพร้าวอยู่เหมือนเมื่อ3 0มสถึงสีปีก่อนไม้กวาดบนศาลาก็เป็นไม้กวาดพิเศษที่มีตัวกวาดที่ยาวที่สุดในโลกไม้ดามจับจะยาวกว่าปกติใช้กวาดพื้นที่ถูกขัดเงาด้วยกาบมะพร้าวแล้ววัดทุกวัดในสายพระป่าจะมีไม้กวาดอ่อนและไม้กวาดตาดเป็นสั ญ, ญลักษณ์เมื่อก่อนพระมีน้อยไม่เหมือนสมัยนี้เนื้อที่พอจะช่วยพระในการทํางานก็ไม่มี